เจ้กวางตัวนั้นขณะนี้หยุดดิ้นตายสนิทลงแล้วผลของการตรวจสอบรอยกระสุนปรากฏว่าทั้ง9้าเม็ดลูกปลายของกระสุนโอโอบั o ็กจากลูกซองที่ยิงโดยเชิถาเจาะเป็นกลุ่มเข้าก้านคอของมันพอดีแต่กระสุนขนาดจุดสหของชายยันไม่รู้หายไปไหนเพราะไม่ปรากฏอยู่บนร่างกายส่วนใดของกวางตัวนั้นเลยมันพิสูจน์ชัดออกมาบัดนี้เองว่า คนเฉยๆเงียบๆอย่างหม่อมราชวงศ์เชิฐถาท่อมตัวและไม่เคยคุยอะไรเลยแท้ที่จริงฝีมือในการราาสัตว์เหนือกว่าชัยยันเพียงไรจอมพรานนึกทำนายไว้ร่วงหน้าแล้วไม่ผิดเขาสังเกตดูจากการเลือกถือปืนของบุคคลทั้งสองในภาวะเช่นนี้ชายยันเลือกเอาปืนไรเฟิลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นแรงสะท้อนถอยหลังสูง มีหนำซ้ำายังติดศูนย์กล้องซึ่งไม่สามารถจะเจลงยิงได้ทันการในเวลาฉุกระหุกกระทันหันเช่นนี้ผิดกับเชษถาซึ่งใช้ปืนลูกซองอันเป็นปืนที่เหมาะที่สุดในการยิงอย่างฉับพลันแทบจะเรียกว่าไม่ต้องเล็งปราณนีตอะไรเลยผลก็คือเชษถายิงเข้าเป้าอย่างแม่นยำส่วนชายยันยิงผิดทั้งๆ ท, ที่ต่างก็ลั่นไกพร้อมกันวิเศษมากครับคุณชาย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 โชคดีเด๋วเกินที่แกล้มมันได้ลูกปืนของฉันมันไม่รู้หายไปไหนทางไหนว่าไม่ได้ความบอกตรงๆอีตอนคุณรพินบอกให้ยิงฉันยกปืนขึ้นยังไม่ทันเห็นศูนย์ปืนถนัดเลยอารามตื่นเต้นกลัวว่ามันจะเพ่นไปเสียก่อนก็เหนียวตูงไปงั้นเองไอ้ศูนย์กล้องนี่มันไม่ได้ความแฮยิงกันแบบกระทันหันอย่างนี้เล็งไม่ทันไม่เอาละ่ะเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแฝดของฉันมั่งดีกว่า ก็มีอย่างหรือเอาปืนยิงช้างมายิงกวางดารินว่าทุกคนพากันหัวเราะคึกคลืขันในท่าทีอันติดตลกและลื่นเล ering อยู่ตลอดเวลาของชายยันเขาบ่นพึมอยู่เช่นนี้จัดแจงจะเดินกลับไปที่เกวียนเพื่อเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแต่ละนนิีเหนียวแขนไว้ผมว่าเพื่อความไม่ประมาทเป็นการดีแล้ว่ะครับที่คุณชยยนถือไอจีน้นี่ผมเองมี3า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 คือภายหลังจากยิงนัดแรกไปแล้วชายยันยังไม่ได้ส ร, ระดปลอกกระสุนเก่าออกทิ้งคงปล่อยให้คารังเพลิงอยู่เช่นนั้นอันเป็นความเผลอเรอทั่วไปของนักล่าสัตว์มือใหม่ทั้งหลายในการใช้ปืนแบบ v o l ต์แอคชัเขาไม่ได้พูดอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่กระชากลูกเลื่อนส ร, ระดปลอกกระสุนเก่าทิ้งและส่งลูกใหม่เข้าประจารังเพลิงพร้อมกับลดนกลงเสีย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 ชายยันพูดอย่างร่าเริงตื่นเต้นแต่ถ้าไม่ใช่เพราะแง่ายเนี่ยให้เราลงมาเดินกับคุณระพินเราก็คงจะนั่งเบื่อกันอยู่บนเกวียนนั่นจนกว่าจะถึงการล่าจริงๆที่คุณกำหนดให้ภายหลังจากให้ลูกหาแบกบหมูป่าขึ้นไปบรทุกเกวียนอีกตัวหนึ่งแล้วระพินก็ให้สัญญาณออกเดินทางต่อขอหันมาทางชายยันผู้กาลังอิ่มอกอิ่มใจอยู่คุณชายยันสลัดปอกกระสุนเก่าออกแล้วหรือยังครับ ชัยยานทำท่าเพิ่งคิดขึ้นมาได้ลืมตาโตร้องออกมาว่าเออจริงเสลืมไปว่าแล้วก็กระชากลูกเลื่อนคายเปลอกเก่าทิ้งส่งลูกต่อไปเข้ารังเพลจอมพราหนหูราะเบาๆกล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงเบียบว่าคราวหลังกันลืมเอาอย่างนี้สิครับคุณชัยยานพอเรายิงไปหนึ่งนัดจะผิดหรือถูกช่างมันก่อนไม่ต้องไปคำนึงถึงผลรีบกระชากลูกเลื่อนคลายปลอกเก่าใส่ลูกใหม่เข้าไปก่อนทันที พยายามทำให้ติดเป็นนิสัยเลยเวลาเราใช้ปืนแบบลุกเรื่อนอย่างนี้ไม่งั้นพอเราเกิดความจำเป็นจะยิงขึ้นมาอีกครั้งมันจะคลุกคลักไม่ทันการหรือไม่ก็คิดไปว่าสัตว์มันมีอาถรรพ์ทำให้ปืนของเรายิงไม่ออกไปเลยชายยันยิ้มเจืีญๆอย่างสารภาพพูดเอ่อยๆว่าขอบคุณมากที่เตือนผมมักจะเผลอเสมอเริ่มคิดไปว่ามันเป็นปืนแบบบรอดแอคชั่นเอาละทีหลังผมจะถือหลักปฏิบัติ พอยิงนัดแรกก็กระชากลูกเลื่อนเลยทันทีแล้วเขาก็บุ้ยปากไปที่จุด4 5 8ของเขาที่เปลี่ยนไปให้จอมฟันถือบอกพร้อมกับปุราะแหะๆว่าคุณพูดทำให้ผมนึกขึ้นมาได้จุด4 5 8กระบอกนั้นตั้งแต่ผมยิงกวางผิดไปแล้วผมยังไม่ได้คลายป่อกเก่าทิ้งเลยผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับระพินตอบหมอมราชวงเชืาจุปากเบาๆบนมาว่า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 นั่นดีว่ามันเป็นกวางแล้วก็เข้าไมา้แก่ยิงใต้ห้างนะถ้าเป็นเสือหรือช้างมันชาร์ตรีเข้ามาแล้วแกมัวแต่ขี้หลงขี้ลืมแบบนี้ก็มีหวังเกมก็ชายันนี่นะดาดินไม่ยอมปล่อยโอกาสให้ผ่านไปถึงเขาจะเป็นนายทหารเขาก็เป็นนายทหารปืนใหญ่ที่ใช้ยิงด้วยกลไกอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพอมายิงไรเฟิลแบบรูกลื่อนก็คิดอยู่ร่ำไปว่ามันคงจะอัตโนมัติสลัดปลอกกระสุนเอง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 บนพื้นดินเบื้องหน้าห่างออกไปไม่เกิน15เมตรรำยาวมีส่วนอวบขนาดท่อนขาอ่อนของอะไรชนิดหนึ่งทอดขวางอยู่กลางทางสีของมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนกลมกลืนกับใบไผ่ที่ร่วงกราดเกื่อนอยู่กับพื้นจนแทบเป็นสีเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะอาการเคลื่อนไหวแสกสากไปกับพื้นอย่างเช่มช้ามันเคลื่อนไปในลักษณะเลื้อยไม่เห็นหัวและไม่ปรากฏส่วนหางทว่าแต่แล้วบัดนั้นเอง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 กรุณาส่งมาให้ผมช้าๆนะครับทุกคนอยู่นิ่งกับที่ก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวแม้แต่นิดหนึ่งหม่อมราชวงศ์เชษฐาค่อยๆส่ง FN ไปให้รบพินทุกคนกั้นลมหายใจภาวะนั้นเหมือนตกอยู่ในมนสะกดจอมพรานลักปืนมาอย่างแผ่วเบาแช่มช้าตาเขาจับนิ่งอยู่ที่พยาอสรพิษไม่กระพริบค่อยๆวาดรกล้องขึ้นเตียมพร้อมเล็งจับอยู่ที่บริเวณพังผานใหญ่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 ระพินสบัดปากกระบอกปืนเข้าใส่อีกครั้งแต่เขายังไม่ทันจะลั่นไกเสียงลูกซองก็ระเบิดลั่นมาจากเกวียนเบื้องหลังติดติดกันสองนัดซ้อนส่วนหัวที่กําลังจะพงกชูของมันสบัดเลิศไปกองอยู่กับลําตัวอันยาวเหยียดหางฟัดฟ้าตวัดอยู่ไปมาระพินปล่อยกระสุนติดตามเข้าไปอีกสองนัดที่หมายบริเวณศีรษะของมันซึ่งบัดนี้เป็นรอยกระสุนยับเยินฟูมไปด้วยเลือด มื่อตะยูดงดิบก็ถึงการอาวสานสิ้นฤทธิ์ลงเพียงแค่นั้นมีแต่บริเวณปลายหางเท่านั้นที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่อย่างหน้าขนพองสยองเก้าทุกคนหันขวับไปทางเบื้องหลังก็เห็นแง่ซ า, ย, า ย, ยืนตั้งานอยู่บนเกวียนของคณะนายจ้างในมือถือปืนลูกซองแฝดของชายยันซึ่งวางไว้ในราวปืนข้างเกวียนหนุน่มชาวดงนักพเนจรกระโดดลงจากเกวียนวิ่งตรงมาที่พรานใหญ่ และซาของงูร้ายในระหว่างที่ทั้งหมดยังพากันยืนตะลึงอยู่กระชากดาบที่ขัดหลังออกมากระนำฟันลงไปบนเวรเวรส่วนหัวอันใหญ่โตของมันจนขาดแหล่งแล้วก็หันมาทางลัพินถามห้หาวขึ้นว่าผู้กองไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรือครับอืมขอบใจแกมากไงซายที่แกช่วยยิงซ้ำมาอย่างทันการฉันยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าท่านัดที่สองแกยิงมาช้ากว่านั้นสักนิดเดียว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 ส่วนบุญคำกับจัน์จะช่วยยิงซ้ำก็ไม่ถนัดเพราะติดพวกเราขวางหน้าอยู่แกอยู่ใกล้เกวียนและใกล้ปืนที่สุดแล้วแกก็ขึ้นไปยืนอยู่บนเกวียนโดยผ่านหัวพวกเราไปไม่เสียแรงหรอกที่เรามีแกร่วมทางมาด้วยหนุ่มชาวดงพูด ร, รับเพียงแต่ยิ้มน้อยน้อยให้แกคำสรรเสริญของนายจ้งและตรงเข้าไปช่วยพวกลูกหาบทั้งหลายลากซ่ า, จ, าจงอ่างยักษให้หลีกทางเกวียนออกไปรพินยืนสู่บุรีอัดควันลึกเป็นตัวแรก นับตั้งแต่ออกเดินทางมาเป็นเวลาถึงหชั่วโมงตาของเขาหลีมองจับอยู่ที่แง่ทรายเงียบๆผมเห็นคุณเลงอยู่ตั้งนานตอนที่มันชูหัวอยู่ทำไมคุณไม่ยิงจนกระทั่งมันฉกลงมาชั ย, ยันถามแหบๆท่าทางเขายังไม่หายขนลุกขนชันในภาพวาดเสียวเมื่อครูน่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเล่นงานพวกเราจริงหรือเปล่า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 บางทีคุณอาจต้องการปืนลูกซองมากกว่านี้บนเกวียนมีอยู่ตั้ง3ามกระบอกให้แง่ซ า, ายขนลงมาได้เลยเห็นจะไม่ต้องหลอกครับผมถือ FN ของคุณชายกระบอกนี้แล้วแง่ซ า, ายเองก็ถือแฝดของคุณชายยันติดมืออยู่นูน่นนอกนั้นพรานของผมและพวกลูกหาบก็ล้วนใช้ลูกซองกันอยู่ทุกคนถึงแม้จะเป็นแบบเดียวแต่หลายๆกระบอกก็พอจะช่วยกันได้ทันเชิฐานนาคณะกลับขึ้นนั่งเกวียน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 เขาบอกให้ทุกคนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันผมจะออกไปสำรวจก่อนไปเดี๋ยวจะกลับระหว่างที่ผมไม่อยู่กาอยนาเดินออกไปให้ห่างบริเวณแคมป์ของเราหนักนะครับจอมพลานสั่งแล้วก็คว้าปืนเดินดุ่มๆหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับบุญคาเกิดจันและเสยอันเป็นพรานพื้นเมืองคู่ใจของเขาทั้งสี่คนประมาณเกือบชั่วโมงก็โผล่กลับมาเรียบร้อยครับ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 ในเวลากลางคืนจะนั่งห้างในระแวกใกล้ๆหรือจะเดินส่องไฟพวกเกง้งกวางก็คงจะเหลือเฟือเพราะดอกมะข่าโมงกับลูกมหาดกำลังร่วงน้อยชอบที่นี่จังค่ะพี่ใหญ่เราพักที่นี่สักสองคืนตามคาของนายพรานใหญ่ของเราดีไหมคะหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินพูดในขณะที่ยืนกว่าสายตาสดใสเป็นประกายชื่นชอบไปรอบด้านเอาเถอะคืนนี้อยหารือกันดูใหม่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 มันก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทนั่นแหละพี่ใหญ่โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าน้อยไม่เป็นห่วงพี่กลางนะคะน้อยเป็นห่วงทำไมงั้นน้อยจะขอมาด้วยทำไมแต่ขอให้พิจารณากันถึงเหตุผลถกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยถึงแม้เราจะเร่งรีบกันสักขนาดไหนหรือว่าช้าไปกว่ากําหนดสักอาทิตย์สองอาทิตย์ข้อสาคัญที่สุดก็คือเราต้องไปตามค้นหาเขาแน่ๆโดยไม่ถอยหลังกลับจนกว่าเราจะพบตัวเขา เหลือมิชา น, นั้นก็จนกว่าจะแน่ใจว่าเขาหาชีวิตไม่แล้วดังที่เราได้ตั้งเจตนาเดิมไว้เชีฐานิ่งไปครู่เหมือนจะใช้การคข้ครวญสีหน้าของเขาขรุคร่งลงแล้วก็หันมาทางจอมพรานคุณมีความเห็นเช่นไรและพินผมไม่อาจออกความเห็นใดๆได้ทั้งสิ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องแล้วแต่คุณชายผู้เป็นนายจ้างของผมบอกได้แต่เพียงว่า ถ้าเราถือโอกาสล่าสัตว์กันไปด้วยอย่างคุณหญิงแนละคุณชัยยันว่ากำหนดเดินทางของเราที่จะไปถึงล่มช้างก็ต้องยืดออกไปอย่างไม่มีปัญหาระพินตอบอย่างสำรวมเอากันตามสบายๆโดยไม่เร่งร้อนนะักคุณคิดว่าสักกี่วันเราจะไปถึงที่นั่น 1. นึงเดือนกำลังสวยครับแปลว่าเราสามารถจะหยุดพักได้แห่งหนึ่งเท่าที่เราพอใจ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 คือในการจะไปดักยิงเลียงผาตามวิธีไร่ราวคราวนี้ชายยันผู้เข็งต่อการใช้ปืนไรเฟิลและเพิ่งจะเห็นประสิทธิภาพของปืนลูกซองในการยิงแบบกระทันหันรวดเร็วหันไปคว้าปืนลูกซองแฝดตรตงข้ามกับเชิฐาผู้บาดนี้แทนที่เขาจะใช้ลูกซองเหมือนเดิมเขากลับเลือกปืนไรเฟิลขนาดเบา3 0 3 0ยแบบริเวอร์แอคชั่นซึ่งเป็นปืนเหมาะควรอย่างยิ่งสาหรับสัตว์ขนาดเลียงผา แต่ก็ต้องหมายความถึงว่าฝีมือในการยิงจะต้องดีจริงๆเพราะเป็นการยิงในขณะที่สัตว์กําลังวิ่งตื่นมันสอนให้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งว่าเ mm hmm. ชี่ยวามีรสนิยมในการร่าสัตว์สูงเพียงไรเขาไม่ต้องการใช้ลูกปืนสองซึ่งเป็นการเอาเปรียบสัตว์เกินไปโดยไม่ใช้ฝีมือเสียเลยส่วนดารินถือจุด270ติดศูนย์กล้องกระบอกเดิมของรอนซึ่งรปินบอกกับตนเองว่า ถ้าหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยหัวร้านคนนี้สามารถจะยิงเลียงผาที่กำลังวิ่งเตลิดได้ด้วยปืนกระบอกนี้หล่อนก็น่าจะเป็นจอมพรานที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาซีอีกเขาอยากจะแนะให้ร่อนถือลูกซองอัตโนมัติแต่ก็เฉยเสียไม่พูดต้องการให้ประสบการณ์สอนหญิงสาวเอาเองในจำนวนคณะนายจ้างของเขาสามคนที่มาด้วยมีเชษฐาคนเดียวเท่านั้นที่พรานใหญ่อย่างรบพินเลื่อมใสในฝีมือและชั้นเชิงในการล่า